ก็เห็นชัดว่ากายกำลังอยู่ในสภาพนั่งสมาธิรูปพรฑ์สันฐานของกายที่ปรากฏจากมุมมองภายในยามนี้แตกต่างจากครั้งยังไม่ผ่านการฝึกสติปัญฐานเป็นคนละเรื่องกล่าวคือก่อนฝึกนั้นถ้าทำความรู้สึกเข้ามาที่กายปับ๊บความรู้สึกนั้นจะบอกทันทีโดยไม่ต้องกำหนด